ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบขอโอกาสหลวงพ่อกลมกราบขอโอกาสพระจันยุ ก, กิกราบขอโอกาสพระจันมัฒนาชัยกราบขอโอกาสพระจันสุรินขอโอกาสพวกพวกเราเพื่อนสาธรรมิกจเจรนะิญพรแม่ชีแล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ อมนูว่าก็เขียนก็เป็นตํานานเนาะของบัตป่าสุกโตเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่อย yup. ู่ในใจเป็นบุคคลที่อยู่ในใจถ้าเรามีบุคคลที่อยู่ในใจที่ถูกต้องนี่เนาะก็เป็นมงคลชีวิตเพราะเนื่องจากว่าคล้ายๆว่าคนที่ อยู่ในใจของเราเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีตรงเนี้ยเราเองเราก็เหมือนกับว่ามีได้ระลึกถึงการกระทำเนาะต่างๆซึ่งตรงนี้เองหลวงพ่ามเขียนเองก็ตั้งแต่ได้รู้จักท่านมาก็ก็ประทับใจประทับใจทันทีประทับใจตั้งแต่คำพูดของท่านที่พูดไม่กี่คำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า คำพูดของท่านเป็นคําพูดที่แบบไม่ต้องหาอะไรมาเติมไม่ต้องตัดอะไรออกยิ่งเวลาที่ถอดเทปหลวงพ่อเนาะสมัยก่อนยังเป็นโยมแบบว่าตอนนั้นก็ก่อนหน้าบวชสักสักสามสีปีก็ตั้งใจว่าเออเนี่ยเราจะ แบบเหมือนกับว่ามีหมายตาอยู่ว่าอีกสักสี่ปีข้างหน้าจะบวชเนี่ยก็เลยว่าเออเราลองเอาเทศของหลวงพ่อเนี่ยในพรรษาเนาะซึ่งก็เป็นมีความรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ก็จะตั้งใจ เ, เทศเพื่อที่ว่าจะให้เหมือนกับว่าให้ความรู้ที่ท่านมีเนี่ยได้ให้พวกผู้คนที่ได้ฟังได้เก็บเอาไป ใช้ปฏิบัติกันเพราะเนื่องจากว่าในพรรษาก็จะมีความตั้งใจอธิษฐานปฏิบัติกันแต่ละคนตรงนี้ก็ปรากฏว่าเทศในพรรษาก้าสิบวันนะก็หลวงพ่อก็จะเทศเช้าเทศเย็นเทศเชา้าเทศเย็นนะสมัยก่อนหลวงพอมีแรงก็จะได้รวบรวมได้ประมาณส 50, ักห้าสิบหกสิบเทศนะฮะต่อต่อต่อพรรษาหนึ่ง ก็ทำอยู่สองปีต่อเนื่องก็ปรากฏว่าเราก็ตรวจสอบคำของหลวงพ่อฟังไปแล้วก็ถอดเทปไปฟังไปถอดเทปไป ม, มันมีสิ่งที่ <c oughs> ไม่เหมือนพวกเราพูดนะ <c oughs> ก็คือไม่มีไม่มีมมนหลวงพ่อไม่มีพูดพูดอะไรที่เกินไปไม่ต้องตัดอะไรออกเนาะ จะพูดซ้ำก็พูดซ้ำด้วยการยำ้ำอย่างนี้เนาะหรือว่าไม่มีอะไรที่เราต้องเติมให้ไม่มีอะไรขาดนะนะนะก็ก็แบบเป็คนความรู้สึกนับถือนับถือมากๆเลยว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดยิ่งเราได้เจอตัวหลวงพ่อไม่ได้ฟังจากเทปเนี่ยเราก็จะเห็นหลวงพ่อก็ตั้งใจพูดนะแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยภายในเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง ตรงนี้ก็เนื้อหาสาระก็สมบูรณ์อยู่ในนั้นตลอดนั่นัคือตรงนี้ธรรมะที่หลวงพ่อพูดก็เป็นธรรมะที่หลวงพ่อก็จะพูดแต่เรื่องของการปฏิบัติอย่างเดียวเนาะพระหลวงพ่อก็บอกนะบอกกระโยมอยู่ครั้งหนึ่งในปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดที่ตรงสาระไก่ที่วันนี้พวกเราไปกันตรงนั้นละ่ะ <c oughs> ก็หลวงพ่อก็จะนั่งอยู่นะ คุยพูดคุยกับโยมจริงๆนะไม่ใช่ว่หลวงพ่อพูดคุยกับโยมเรกโยมมาสักถามหลวงพอ่อเรื่องที่ทางำภาสาธรรมแล้เรียกว่าอ จ, จินไตอะ จ, จินไตคือหาข้อสรุปไม่ได้ <c ười> หลวงพ่อก็ตอบนู่นตอบนี้ให้ต่างๆนานาเหล่านี้จนกระทั่งท้ายสุดเนี่ยหลวงพ่อก็บอกบอกว่าคือมันมีเรื่องที่น่าสงสัยก็เยอะเรื่องที่แปลกๆใหม่ๆก็เยอะแต่หลวงพ่อเนี่ยสนใจเฉพาะเรื่องที่ เขาเรียกว่าทําให้ไม่ทุกข์ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ก็เป็นบทสรุปนะของธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้เราพวกเราฟังหลวงพ่อก็จะพูดว่าวิธีการทํำยังไงถึงจะไม่ทุกข์นะที่หลวงพ่อสนใจอยู่เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็หลวงพ่อก็จะตั้งใจนะอย่างตอนที่เป็นคารวาสอยู่ก็มาขับรถให้กับหลวงพ่อเนาะก็ถามหลวงพ่อว่า ทำไมหลวงพ่ออยากบวชหลวงพ่อก็บอกบอกว่าตอนเด็กๆ่กะเหมือนกับว่าเคยเห็นแบบพอเพลย์พอเพลย์แล้วก็บอกว่ามีพระเนาะแบบอยู่ในหนองแบบว่าอยู่สักสี่ห้ารูปอย่างเงี้ยอยู่ในนองก็พอเพย์พอเพย์แล้วดูก็ไม่ค่อยชัดเจนแล้วนะแต่ว่าที่เห็นเนเนี่ยก็คือเป็นพระแน่นอนนะใช่ไมหมฮะอย่างนั้นแล้วก็ที่กําลัง กำลังทํากิจกรรมอยู่ในหนองก็คือจับปลาในหนองหลวงพ่อก็ตั้งใจว่าถ้าหลวงพ่อเป็นพระเนี่ยหลวงพ่อก็จะขอเป็นพระที่ดีก็เป็นสิ่งที่ที่เราฟังแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าก็เราก็เคยได้ยินได้ฟังเนาะบวชไปเรื่อยๆก็มีใช่ไหมแต่ว่าถ้าบวชแบบตั้งใจเป็นพระที่ดีเนี่ยไม่ว่าะจะบวชสั้นหรือบวชยาวยังไงก็ตามเนี่ย ความตั้งใจตอนนั้นก็จะช่วยกำหนดเราเหมือนกับความตั้งใจที่เราเนาะตั้งใจที่จะเหมือนกับว่าทำยังไงถึงจะทำให้ชีวิตไม่ทุกเนี่ยเอา น, นั่นก็คือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หลวงพ่อหลวงพ่อมีความคิดอย่างนี้และหลวงพ่อก็มีการกระทำเนาะที่สอดคล้องกันอย่างเทศแรกของหลวงพ่อนะ หลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อเทียนได้สองพรรษาเนาะก็ปรากฏว่าโยมแม่หลวงพ่อก็เขียนจดหมายบอบอกว่าป่วยหนักหลวงพ่อก็เป็นห่วงก็รีบลงมาเพราะบ้านไม่ได้เจอหน้าสองปีปรากฏว่ามาถึงก็ไม่เห็นป่วยเลยหลวงพ่อก็ไม่ได้โมโหนะหลวงพ่อก็ถือโอกาสถือโอกาสนั้นอนะ่ะก็เรียกพี่ป้าน้าอาได้เจ็ดคนนะอย่างเนี้ยรวมทั้งโยมแม่ด้วยอย่างเนี้ย มาแล้วหลวงพ่อก็เทศให้ฟังเทศที่หลวงพ่อเทศให้ฟังครั้งนั้นเนี่ยก็หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อพูดถึงเรื่องว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจะไม่เอากายนี้จะไม่เอาใจนี้เนี่ยที่ได้จากโยมแม่ตรงเนี้ยตอนนั้นโยมพ่อของหลวงพ่อเสียชีวิตแล้วนะก็บอกบอกว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่เอากายนี้จะไม่เอาใจนี้เนี่ย ไปทำผิดคิดร้ายเนาะนั<ม>้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าเออถ้าหากว่าเรานะคิดอย่างหลวงพ่อเนาะเราไม่เอากายนี้ไปใช้ทำผิดและไม่เอาใจนี้ไปเรื่องทำเรื่องคิดร้ายเนี่ยเราก็ก็ เ, เรียกว่าใช่ไหมเราก็แบบว่าก็ไม่ต้องไปทุกข์กับการกระทำของเราไม่ต้องไปทุกข์กับความคิดของเราตรงเนี้ยก็มันก็มีความรู้สึกว่าบทสรุปที่บอกว่าหลวงพ่อสนใจว่า ทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์มันก็ง่ายนะก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นทํานองเดียวกันเรื่องของการปฏิบัติธรรมตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อเน้นอยู่หลวงพ่อย้ําอยู่ก็คือการฝึกกายฝึกใจหลวงพ่อบอกว่าการฝึกกายฝึกใจเนี่ยผ่านการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้ฝึกทั้งกายด้วยได้ฝึกทั้งใจด้วยเพราะว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันจะเหมือนกับมีรูปแบบเนาะที่บังคับให้เราเนี่ยเหมือนกับอาจจะต้องนั่งอยู่ในท่านี้นานๆสักหน่อยหนึ่งเดินอยู่ในท่านี้นานๆสักหน่อยหนึ่งเนีย่ยการที่เรานั่งนานๆการที่เราเดินนานๆเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ก็ทำให้เราได้รู้ขีดความสามารถนะของร่างกายเราหลวงพ่อบอกว่าอย่าลุกนะถ้าอยากจะลุกอย่าเพิ่งลุก <c oughs> อย่านั่งถ้าอยากจะนั่งอย่าเพิ่งนั่งนะสมควรจะนั่ง่อยนั่งสมควรจะลุกให้ลุกอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแค่คำพูดง่ายๆเดเนาะแต่ว่าเราก็เห็นว่าอืมมันมีความยิ่งใหญ่เพราะว่าพอเวลาที่เราลองทำตามหลวงพ่อแนะนำอย่างเงี้ยเราก็มีคำพบว่าเออในรายละเอียดของการนั่งของเราเนะี่ยอย่างหลวงพ่อเองนะ หมายถึงหลวงพ่ตุ้มนะหลวงพ่อเองเวลานั่งเนี่ยก็จะสังเกตท่านั่งของเราอย่างสมมติหากว่าเวลาที่นั่งขัดสมาธิเนี่ยถ้าจะนั่งขัดสมาธิได้ดีๆเนาะหมายถึงว่าหลังตรงๆคอตรงๆไม่นั่งหลังงอเนี่ยก็จะต้องขัดสมาธิเพชรอย่างเนี้ยก็เออนี่ปรมา ก, ก่อนหน้านั้นเราก็เหมือนกับยังไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองเนาะนี้ก็ ตรงนี้ก็อืมเราลองสังเกตดูแต่ถ้านั่งพระเพียบเนาะถ้านั่งนั่งพรบเพียบแบบกําลังที่ท่าที่กําลังนั่งอยู่นี้เนี่ยก็จะนั่งได้นานกว่าอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนกับเราก็ลองสังเกตดูอย่างที่หลวงพ่อพูบอกเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ทันสังเกตเนี่ยอย่างเมื่อก่อนนั่งทำงานนะครับเขาเรียกว่าผุดลุกผุดนั่งต้องเรียกว่าผุดลุกผุดนั่งนะเพราะว่า จำได้ว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยก็เคยถูกเรียกว่าถูกครูก็ดุนะถูกโยมแม่กระดุมาอย่างเงี้ยเอ๊ะเป็นอะไรทําไมถึงได้ปุดลุกปุดนั่งแบบนี้เราก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะไอ้ที่ผุดลุกปุดนั่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราอยากนั่งเราก็นั่งอยากลุกเราก็ลุกมันยังไม่สมควรนะใช่ไหมเหมือนกับเวลาที่เราดูเด็กนักเรียนในห้องหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะบางคนเนี่ยเดี๋ยวก็ขอไปดื่มน้ําเดี๋ยวก็ขอไปปัสสาวะ บางคนก็ขอมากกว่าหนึ่งครั้งในต่างๆตรงนั้นก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ว่ากายของเราแบบว่ามีขีดความสามารถสักแค่ไหนยังไง น, นั้นก็คือตรงนี้ยเวลาที่หลวงพ่อบอกว่าอืมการที่เราลองเนาะลองศึกษาความเป็นไปของกายเราศึกษาความเป็นไปของใจเราผ่านกรรมฐานเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้เหมือนกับว่าตั้งแต่แรกเลยเนี่ย เราก็โอ้นี่ยคำคำแนะนำของหลวงพ่อเนี่ยเราก็มีก่อนรู้สึกว่าเออมันเป็นคําแนะนําที่ง่ายสั้นนะใช่ไหมแต่ว่านั่นคือผลที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นผลที่สิบกว่าปีมานี้เราก็ยังได้ใช้อยู่เนาะเวลาที่นั่งในท่านี้ใช่ไหมอย่างนี้อ๋อเราเคยนั่งอยู่ได้ในท่านี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งสบายๆดอมันไหนมันไม่ถึงชั่วโมงก็โอ้ี่มันไม่เที่ยงนะ ใช่ไหมเพราะว่านั่นคือมันเคยได้เนาะใช่ไหมถ้ามันไม่ถึงนี่ก็เราก็ลองดูขีดความสามารถของเราหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องทนนะที่นี่อย่างนี้นะแต่ว่านั่นคือคําว่าไม่ต้องทนหมายถึงว่าถ้าเราทนขออภัยนะทนเป็นบัวเป็นควายเนาะใช่ไหมอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ว่านั่นคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลองสังเกตเนาะอีกนิดหนึ่งได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าลองต่อลองดูก่อน อย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งนั่งลองต่อลองดูขออีกสักนิดหนึ่งขออีกสักนิดหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่บทสรุปในครั้งแต่ละครั้งเกิดเรามองเทียบกับนาฬิกาอืเมื่อวานเรานั่งได้ชั่วโมงหนึ่งวันนี้เรานั่งได้ห้าสิบนาทีในความไม่เที่ยงมันก็ปรากฏให้เราเห็นอย่างนี้เนาะเออมันก็เป็นไปได้นะร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเนาะใช่ไหมเรายืมธรรมชาติมาใช้อย่างเงี้ยมันอย่างหลวงพ่ออย่างนี้เนาะพอเวลาที่หลวงพ่อเข้าลงพยาบาล ในปี2557เนี่ยพอต้นปีเนี่ยตอนที่หลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลแรกสุดเลยก็คือวันที่วันที่สามวันที่สี่คุมภาเนี่ยหลวงพ่อก็บอกบอกว่าลองดูลองดูว่าจะเหมือนกับว่าจะรักษาได้ไหมหลวงพ่อก็บอกลองดูก่อนนะคือถึงนาทีนั้นนี่หลวงพ่อกลืนอาหารไม่ได้แล้วเนาะอย่างเงี้ยเ หลวงพ่อก็บอกว่าอลองดูก่อนลองดูก่อนเผื uh ่อ huh. แต่พอเวลาที่ผ่านไปสองสามวันหลวงพ่อก็บอกบอกว่าป่วยครั้งเนี้ถ้าทางจะรักษาไม่หายละนเนี่ย<ะ>ก็คือนี่ก็คือเหมือนกับว่าพอมีการตรวจไปจริงๆไม่ใช่สองสาวันนะประมาณเจดวันประมาณเจ็ดวันเนี่ยตรวจนู่นตรวจนี่เนี่ยกับเรื่องกับเรื่องปัญหาเรื่องของเรื่องคอเรื่องการกลิ่นกินอาหาร กลืนอาหารเนี่ยแล้วปรากฏว่าตรงนั้นนะหลวงพ่อก็ดูไม่ได้หลวงพ่ไม่ได้ด่วนสรุปนะหลวงพ่ก็ลองดูก่อนลองดูก่อนแต่ว่าปรากฏว่าหลวงพ่บอกว่าที่หลวงพ่อสรุปเนี่ยพระหลวงพ่บอกว่าเจ็ดวันมาเนี่ยหมอก็ไม่ทําอะไรเลยหมอก็ารอดูอาการอยู่แล้วก็ลองอนุนิดลองอันนี้หน่อยนะึงตานาหลวงพ่ก็สรุปสรุปกับพวกเรานะไม่ได้สรุปกับหมอหลวงพ่ก็บอกว่าอาพาธครั้งเนี่ย คงรักษาไม่หายซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยคือหลวงพ่อพูดในขณะที่หลวงพ่อพูดไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้พูดแบบสิ้นหวังนะแต่หลวงพ่อพูดเนี่ยรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดความเป็นจริงเพื่อให้เราเนี่ยได้เตรียมตัวเพราะมันนั่นคือเราในฐานะของลูกศิษย์ลูกหาที่เหมือนกับว่าคอยดูแลครูบาอาจารย์เนาะสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราหวังเนาะ หวังไม่ตรงกับความเป็นจริงอทิเช่นหวังให้หลวงพ่อหายอย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อไม่หายเนี่ยเราก็เป็นยังไงเราก็ต้องเสียใจนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะจะไหมอย่างนั้นนั่น่นคือตรงเนี้ยหลวงพ่อก็ได้เหมือนกับว่าได้บอกเราตรงเนี้ยนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราสัมผัสกับหลวงพ่อเนี่ยเราสัมผัสกับก็เรียกว่า สัมผัสกับพระเนาะที่ปฏิบัติดีคือเรื่องของการปฏิบัติดีเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากที่หลวงพ่อเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติเนาะเต็มรอบมีสติสมบูรณ์การที่หลวงพ่อจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เหมาะสมนะนั่นนั่นคือในบทสวดพวกเราสังเกตหรือเป่าก็ไม่รู้สงสาวกของพระผู้มีพระป้าเจ้าปฏิบัติดีแล้วใช่ไหมอย่างเนี้ยคือเราก็มองเห็นหลวงพ่อเนี่ย ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรต่นนางๆนานาเหล่า น, นี้หลวงพ่อจะแบบไม่มีทิฏฐินะไม่มีทิฏฐิเราดูเราคอยดูหลวงพ่อจะเกีเ่ยวข้องกับเด็กหลวงพ่อจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับหมอเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวข้องกับต้นไม้ต้นไร่เกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศต่างๆนานาเหล่ า, น, า, น, า น, นี้ยเราก็จะเห็นหลวงพ่อปฏิบัติกับสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้นนพอเหมาะพอสมไปหมดเนี่ย เหมือนอย่างเรื่องโรคภัยแค่เจ็บในขั้นสุดท้ายของหลวงพ่อตรงเนี้ยเราก็เห็นภาพแบบนี้อยู่ในนี้นะหรือว่าในสิ่งที่บทสวดบทต่อมาที่บอกว่าสงสารโลกของพระพวกมีบพระ้าคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วเนี่ยคำเนี้ยเราก็เห็นได้จากหลวงพ่ออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือการปฏิบัติของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะบอกพวกเราเนาะหมายถึงอันนี้อันนี้คำว่าพวกเราหมายถึงเวลาที่ ไปงานปฏิบัติธรรมกับในหมู่พระหมู่โยมเนี่ยคำว่าพวกเราก็คือทั้งหมดนะหมายถึงพระด้วยโยมด้วยแบบนี้ละอย่างเงี้ยแล้วว่าก็บอกบอกว่าเราอย่าเป็นสนใจเนาะเรื่องท่าทางให้เรื่องท่าทางเนี่ยเป็นลองไปให้เราสนใจให้ตรงไปที่ความรู้สึกตัวก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าผิดไม่เป็นไรนะผิดก็รู้ว่ามันผิดอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ย คือตรงเนี้ยนะว่าการที่บางทีพวกเราอาจจะนึกถึงเนาะเวลาที่พวกเรายกมือสร้างจังหวกันเอ๊ะจะถูกไหมจะผิดไหมจะเริ่มต้นที่ไหนก่อนจะพลิกซ้ายพลิกขวาจะเอามือมาวางที่ไหนเราเอ๊ะเอ๊เอ อ, อ, อแบบเนี้ยสังเกตไหมว่าคือคําที่หลวงพ่อ บ, บอกว่าอย่าเพิ่งเนะแบบาะแต่ว่ารู้วิธคิดให้กลับมาก่อนเนี่ยห้ามไม่หยุดนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือมันมีความสงสัยเนี่ยแบบถียิบไปหมดใช่ไหมฮะอย่างนั้นอันนั้นนั่นคือตรงเนี้ย เนอพ่อบอกว่ารู้สึกไปเลยรู้สึกตัวไปเลยอย่างเงี้ยรู้สึกตรงๆงไปก่อนเลยอย่าไปกังวลเรื่องท่าทางเราเคลื่อนไหวเนี่ยให้เรารู้เคลื่อนไหวเนี่ยให้เรารู้นั้นนั่นคือตรงเนี้ยว่าในสิบสี่จังหวะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ไปพะวงเรื่องท่าทางอะไรมากมายเนาะอย่าไปคิดว่าเอ๊ะมันจะซ้ายก่อนหรือขวาก่อนเนี่ยตั้งใจดูนะดูตามตัวอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่ต่อหน้าเราเนี่ยลองทําเนี่ยตรงเนี้ย เราลองทำไปดูถ้าลองขยับตัวเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกครั้งหนึ่งเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกครั้งหนึ่งรู้สึกเป็นครั้งครั้งเนี่ยมันจะผิดมันจะถูกไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเคลื่อนเรารู้เราเคลื่อนเรารู้เนี่ยใช้ได้แล้วนั้นนึนคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เวลาที่พวกเราทำ14จังหวะเราพูดว่า14จังหวะเนี่ยเราก็ต้องมีจังหวะหยุดให้มันครบ14จังหวะด้วยนั้นนึคือตรงนี้การเคลื่อนการหยุดนะก็ต้องคมนะ ก็ต้องชัดนะนั่นคือตรงนี้ว่าพอเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเนาะแบบว่าเอาความรู้สึกตัวเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทั้งเบื้องต้นเป็นทั้งท่ามกลางแล้วก็เป็นทั้งที่สุดทำอย่างเดียวทำเรื่องเดียวเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยเนาะสามารถพาไปถึงที่สุด คำวาถึงที่สุดไม่ทราบว่าเมื่อเช้าพวกเราได้สังเกตพระอาจารย์สุรินได้ผ่าก็เรียกว่าพาเสียงของอาจารย์กำพลเนาะที่เป็นคนพิการเนี่ยมาให้ฟังตอนเช้าที่จันกะพลบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยฝากเรื่องเอาไว้เนาะฝากเรื่องเอาไว้คือเรื่องอะไรเนาะคือเรื่องที่เหมือนกับว่าเราให้เป็นผู้ดูเนาะเนาะอย่าเป็นผู้เป็นอย่างเงี้ยเป็นผู้ดูดูอะไรดูกายที่เคลื่อนไหวนี่แหละ ใชไหอย่างนี้ดูกายที่เคลื่อนไหวนี่นะคอยรู้เป็นครั้งๆงกับการเคลื่อนไหวของกายไปในขณะที่สติคอยดูกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็ให้ใจเนี่ยมาตามดูตามรู้สติให้คอยดูใจไปด้วยตรงเนี้ยนะว่าใจมาตามดูตามรู้หรือเปล่านีคือตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทำตามหลวงพ่อแบบนี้เนาะทำตามได้ยินได้ฟังแล้วเราลองทำตามดูลองทาตามดูเนี่ย เนี่ยตรงนี้ละที่อาจารย์ขวัก็บอกบอกว่าเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อฝากไว้ก็คือตรงเนี้ยเนาะตรงที่เหมือนกับว่าการที่เราหัดเป็นผู้ดูเนี่ยไม่เป็นผู้เป็นเนี่ยเป็นเพชแห่งธรรมและท้ายที่สุดเนี่ยผลของการที่จะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าจะไม่เป็นอะไรกับอะไรซึ่งเป็นมงกุฎแห่งธรรมอันนี้อาจารย์ขวนสรุปเอาไว้เนาะว่า หลวงพ่อสอนแบบนี้นั่นนั่นคือเพียงแค่เรื่องของความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวการที่เราคอยดูเริ่มต้นจากการดูกายที่เคลื่อนไหวดูใจที่คิดนึกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทาให้เราเนี่ยก็เรียกว่าไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราดูก็คือเราดูกายนี้เราดูใจนี้กายนี้จะเป็นอะไรก็มาเรื่องก็ของกายนี้ใจนี้จะเป็นอะไรก็เรื่องของกายนี้ นั่นนั่นคือตรงนี้นะว่าสิ่งที่บอกว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วหลวงพ่อก็ปฏิบัติแบบนี้พระหลวงพ่อคําเขียนเนาะไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อตุ้มหลวงพ่อเขียนก็ปฏิบัติแบบนี้หลวงพ่อพูดอยู่เสมอๆว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดคือสิ่งที่หลวงพ่อทําถ้าพวกเราทําตามที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็จะรู้จะเห็นเหมือนกันนั่นนั่นคือตรงเนี้ย ว่าเราก็ได้เห็นนะ ว, ว่าการปฏิบัติตรงของหลวงพ่อเนี่ยเป็นแบบนี้ผลที่ออกมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้ผลที่ออกมาคืออะไรในนาทีสุดท้ายเนาะหลวงพ่อเนี่ยเขาเรียกว่ายังมีสติที่จะบอกเราบอกว่าอืมหยุดมือเถอะไม่ต้องช่วยหลวงพ่อแล้วละให้หลวงพ่อได้เหมือนกับว่าร่างกายมันใช้การไม่ได้แล้วเนาะก็ปล่อยมันไป อะไรอย่างนี้นี่นั้นคือตรงเนี้ในนาทีสุดท้ายหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็จะเขียนพวกเราขอให้หลวงพ่อตายนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าหลวงพ่อก็พยายามที่จะใช้ร่างกายในครั้งสุดท้ายบอกเรานี่นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อก็ปฏิบัติแบบนี้ผลที่ออกมานั้นก็คือความไม่เป็นอะไรกับอะไรในขณะที่มีคําที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบัติของเราเนี่ย ของสงสารบงของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเนี่ยนะตรงเนี้ก็หลวงพ่อก็บอกบอกว่าสิ่งที่เราว่าสนใจเนี่ยก็คือสนใจที่จะทํายังไงให้ไม่ทุกข์นั่นนั่นคือการปฏิบัติของเราเนี่ยเมื่อเราไม่ใช่ว่าปฏิบัติตามเพื่อนไม่ใช่ปฏิบัติเพราะว่านี่วันนี้เป็นวันหยุดสิสองสิงหาไม่ได้ปฏิบัติเพราะ อ, อนุนันนี้แต่ว่าถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์เนี่ย เราจะค่อยๆสังเกตเห็นความเป็นไปนะของกายของใจโดยที่เราไม่ก็ เ, เรียกว่าไม่ติดกระชอบไม่ติดกระชังตรงเนี้พอเราไม่ติดชอบติดชังเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างนักปฏิบัติเนี่ยที่มาปฏิบัติกันแรกสุดเลยครึ่งวันแรกหรือหนึ่งวันผ่านไปเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดรังเกียจความง่วงนะพวกเราเป็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้รังเกียจความง่วงใช่ไหมหลวงพ่อก็หลวงพ่อตุ้มนะก็มักจะถามนักปฏิบัติไปขำๆนะแบบว่าถ้าเกิดเป็นความง่วงมันหายวับไปกับตาเนี่ยชีวิตเราไม่ต้องมีความง่วงอีกเลยเนี่ยเอาไหมเพราะว่าถ้าเรารังเกียจใช่ไห ก็เฉดหัวไปให้พ้นชีวิตซะอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างงั้นก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเราจะไหมคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยพอเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ตั้งมั่นที่จะรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ความว่วงเนี่ยเป็นธรรมะอันหนึ่งที่จะผ่านมาให้เราเห็นอย่างง่ายๆเลยในเงี้ยนั่นนั่นคือถ้าเกิดว่าเราเฉดหัวความว่วงทิ้งไปเนี่ย เราจะได้รู้เหรอเราจะได้รู้ทําเห็นทําเหรออะไรเงี้ยเข้ามาให้เห็นแล้วนะเรายังไม่เอาโอกาสนี้มาใช่ไหมมารู้มาเห็นอย่างเงี้ยนั่นก็คือตรงเนี้ยว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ยอมรับไปก่อนอะไรเกิดขึ้นก็ลองดูเนาะลองยอมรับไปก่อนหลวงพ่อบอกว่ามีคาถาอยู่สามคาถาไม่เป็นไรอะไรก็ได้ช่างหัวมันเถอะอะไรอเงี้ยนะเงี่ย หลวงพ่อคำเขียนจะบอกมีกระถาสามกระถานี้ให้เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้กรถาแบบเนี้ยเาปฏิบัติธรรมเข่้าไปเกี่ยเวขาองกับธรรมเที่าปร้กฏกัาพวกเรีจยเวามสงสัติธรรมเนี่ยใช้กระถาแบบเนี้ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้กระถาแบบเนี้ยเวาป็นสัิ่งที่เป็นควะถาแวงเนงวลานฏรบัติธรรมเนี่ยใกระบเนี้ยมวนาป็นเรื่องทเี่เหมือรกัาว่าเรา้เข้าปเกี่ยวข้องกับ ธรรมะเนาะแต่ว่านั่นคือเรายังไม่เห็นธรรมตรงนี้เรายังเห็นสิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าบางทีก็เป็นความชอบที่จะเข้าไปกับการสงสัยบ้างบางทีก็เข้าไปรังเกียจกับความอึดอัดขัดขอ้องที่เกิดขึ้นบ้างความวง่ที่เกิดขึ้นบ้างตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้ทาใจเนาะทใจที่จะศึกษาลองดูก่อน ลองดูก่อนลองดูเนาะลองดูก่อนลองต่อลองดูก่อนเนาะเนาะถ้าสงสัยก็อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งหาคําตอบเดียเด๋ยวเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งอีกสักครึ่งชัวง่วโมงค่อยไปหาคําตอบอีกสักครึ่งชัวง่วโมงค่อยถามอะไรเงี้ยถ้าเราลอ ง, ลองต่อลองอย่างนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นลองดูอย่างเงี้ยหรือว่าจะง่วงก็เดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวขออีกสักเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวจะไปนอนให้ดีเลยเนาะจะปูที่นงที่นอนปูหมอนให้ดีเลยอย่างเงี้ยขออีกสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ย ถ้าเราลองต่อรองอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยลองดูลองดูเนาะอย่างเงี้ยลองต่อรองดูก่อนซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราจะได้เห็นดีๆเห็นอะไรดีๆการได้เห็นทำตรงนี้เนี่ยมันก็จะสะสมเราเนาะสะสมให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้ก็เรียกว่าได้เข้าใจธรรมเนาะสะสมให้เราได้เข้าใจธรรมเราก็จะบรรลุธรรมเป็นขั้นๆ ข, ข, ข, ขั้นไป อย่างที่หลวงพ่อคมเขียนท่านก็ก็มั่นใจนะว่าท่านได้บรรลุแล้วพเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบรรลุเพราะว่าสิ่งที่การกระทําของท่านเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าจะเป็นการขบฉันเนาะจะเป็นการเขาเรียกว่าจําวัดจะเป็นการส่งน้ําจะเป็นการอะไรต่างๆนาน า, น า, นานเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้มองเห็นสิ่งต่างๆผ่านกิจกรรมต่างๆที่ท่านทําเนี่ยมันก็ดูงดงามไปหมดเนี่ยตรงเนี้ย เราก็พบว่าเนี่ยตรงนี้แล้วเนาะสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเนาะอย่างนี้นั่นนึ่งคือการที่ท่านจะเจ็บจะป่วยเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นผู้ป่วยไม่ได้เป็นผู้เจ็บเนาะแต่ร่างกายเนาะมันก็เป็นแบบนี้เนาะใช่ไหมความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีกับร่างกายของทุกคนเนาะจิตใจเนาะที่ไม่ได้ทุกข์ไปกับความเจ็บป่วยของร่างกายตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ เป็นไปได้นั่นนั่นคือการรู้ทำรรเป็นเครื่องออกจากทุกข์เนี่ยหมายถึงว่าเข้าใจธรรมชาติแล้วก็จิตใจเนี่ยเนาะก็ไม่ได้ไปทุกข์ร้อนกับความเป็นธรรมชาติต่างๆไม่ได้ทุกข์ร้อนว่าโอ้โหฝนเนี่ยเนาะตกแบบเนี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วเนาะซักผ้าไม่แห้งเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างนั้นถ้าเราโอ้โหแบบเนี้ยเราก็ทุกข์ไปได้ดอยละอย่างเงี้ยนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจธรรมเนาะ เห็นธรรมเข้าใจธรรมเราก็จะบรรลุธรรมมีธรรมใช้ธรรมตรงเนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้การปฏิบัติธรรมที่นี่หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งแค่จากความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นเรื่องที่พาเราไปได้เยอะเลยแต่ว่าที่สมควรเนี่ยเราปฏิบัติสมควรแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ คำว่าปฏิบ er ัติสมควรหมายถึงอะไรนักปฏิบัติธรรมเนาะปฏิบัติธรรมไปหนึ่ง uh, วันก็มีคำถามบอกว่าเนี่ยปฏิบัติมาทั้งวันนี่ยังไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย มีไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยเนาะคำว่าทัางันพอเราแจกแจงไปเนาะใช่ไหมแบบว่าถามมาทําในรูปแบบแบนี้ทําไปนานเท่าไหร่ยอะไรยังไงปรากฏว่าตอนเช้าทําไปครึ่งชั่วโมงตอนบ่ายทําไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งรวมเป็นสองชั่วโมงอีกยี่สิบสองชั่วโมงไปไหนก็ไม่รู้ย <c oughs> ตรงนี้ใช่ไหมนั้นนั้นนั่นคืออย่างพวกเราเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนก็จะบอกหลวงพ่อเทียนเนี่ยสอนเนาะการปฏิบัติธรรม เอาความเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติถ้าเกิดว่าเราเอาความเคลื่อนไหวไปเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเราปฏิบัติในรูปแบบเนาะตรงนี้เนี่ยให้คุ้นเคยเนาะเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ทําไปเป็นชั่วโมงๆเนี่ยละหองเนาะโอ้ถึงเวลาพักเข้าห้องน้ําถึงเวลาพักไปดื่มน้ำเนี่ยเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยการลุกการนั่งของเราเนี่ยโหลดทันรู้ไหม แม้ไม่ได้อยู่ในรูป84บบจังหวะเนี่ยเราได้ทํำไหมอืมถ้าเราลองทําดูเนี่ยเรานั่งปฏิบัติไปชั่วโมงหนึ่งเนาะเราลุกไปทํานูน่นทํานี่อีกครึ่งชั่วโมงเราก็ได้ปฏิบัติในรูปแบบหนึ่งชั่วโมงปฏิบัตินอกรูปแบบไปครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆที่เรานึกไม่ถึงเนี่ยเราจะเก็บเอามาเป็นการปฏิบัติได้หมดหลวงพ่อมเ ข, เขียนบอกว่าให้ฉวยโอกาสนะให้ช่วยโอกาส ฉวยโอกาสที่เราจะคอยรู้สึกตัวให้ได้จะเป็นในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราปฏิบัติสมควรแล้วนมวงพ่เทียนก็จะบอกบอกว่าการปฏิบัติแบบเนี้ยเรียกว่าปฏิบัติแบบลูกโซ่เป็นความต่อเนื่องทั้งไหนรูปแบบและนอกรูปแบบพอเป็นอย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติก็จะครอบคลุมไปทั้งวันการปฏิบัติแบบนี้ละ ที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่สมควรสมควรแล้วที่เราจะเห็นธรรมสมควรแล้วที่เราจะเห็นจนกระทั่งเข้าใจธรรมสมควรแล้วที่เราทาเข้าใจธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะเป็นเป็นสิ่งที่การเห็นจะพาให้เราเนียได้เข้าใจการเข้าใจจะพาให้เราได้บรรลุธรรมการบรรลุธรรมนั่นหมายถึงเราก็จะมีธรรมประจำตัว ถ้าเรามีธรรมประจาตัวเราก็จะใช้ธรรมออกมากับอากัปกิริยาของเราต่างๆ ต, ตรงนี้ก็พูดตามที่เห็นจากหลวงพ่อํำเขียนเนาะเห็นท่านเป็นแบบนี้แล้วก็เห็นท่านได้พูดแบบนี้ให้ฟังเราก็มั่นใจมีศรัทธาในการปฏิบัติเพราะเนื่องจากว่าท่านบอกให้เราลองเนาะลองลองหลับดูหลับกับความตั้งใจที่จะหลับเมื่อเราตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวให้กายรับรู้เนี่ย เราลองตั้งใจดูซิว่าอืมเราจะลองตั้งใจหลับดูวันนี้ก็เพียรมาทั้งวันแล้วอย่างเงยเนาะไม่ได้หาเรื่องอะไรมาคิดอีกแล้วเพราะเนื่องจากว่าเนาะความคิดเนี่ยกับการปฏิบัติเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นปฏิปักษ์กันนิดหน่อยเนาะอยงนั้นไม่ได้เป็นปฏิปักษ์มากๆนะไม่ต้องไปสู้ลบตกมือแต่ว่านั้นคือเหมือนกับว่าลองดูลองดูว่า เหมือนกับทารู้ว่าคิดเนี่ยกลับมาก่อนรู้ว่าคิดกลับมาก่อนมันในเวลานอนก็เหมือนกันอย่าหาเรื่องมาคิดอย่างเนี้เนาะแล้วเราลองดูลองปฏิบัติสบายๆนะอยู่กับการเคลื่อนไหว น, น้อยๆเนี่ยพบว่ามันเป็นการหลับที่ง่ายมากๆพอเราทําแบบนี้เนี่ยคําแนะนําของหลวงพ่อที่เป็นคําแนะนําที่พอแนะนําปุ๊บเราทําได้เลยแนะนําปุ๊บเราทําได้เลยเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอืมตรงนี้แล้วนะ มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าครูบาอาจารย์ก็ได้กลัน่นเอาสิ่งที่ท่านเนี่ยเคยผิดเคยพลาดเนี่ยมาสอนแล้วพอสอนเราเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติตามได้ความที่จะมีศรัทธาในตัวบุคคลที่จะเห็นเนาะเห็นท่านดูแบบว่าดูอบอุ่นดีเห็นท่านอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ดีมันก็จะขยับไปว่าจริงๆคําสอนของท่านเนาะเป็นคําสอนที่ถึงแม้ว่าท่านไม่อยู่เนี่ยคำสอนของท่านยังอยู่แล้วเราเองเนี่ย เราก็ยังเอาคําส อ, น, อนนั้นน่ะมาปฏิบัติต่อเนื่องได้เพราะเนื่องจากว่าเราพอมเขียนท่านก็เทศเอาไว้เยอะแยะไปหมดนะอย่างที่บ่าวบอกว่าพันสาหนึ่งก็ได้ 40-50 อันท่านก็เทศนั่นแต่ต้นจนจบเทศตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเพชรแห่งธรรมอย่างเงี้ยเนาะที่พวกเราเกิดเป็นหนังสือเก่าๆของหลวงพ่อหรือตาพิเศษเนี่ยในเล่มนั้นก็จะลําดับเนาะเขาเรียกว่าลําดับการปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบของท่านเอาไว้นั่นก็คือตรงเนี้ย ก็อยากให้พวกเราเนาะพวกเราก็หมายถึงทุกคนเนาะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าพวกเราเนี่ยได้มีศรัทธามีหลวงพ่ออยู่ในใจมีคำทถามีคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยเอามาลองปฏิบัติ ด, ดูเนี่ยตรงนเนี้ยเนาะเราก็จะเหมือนกับว่าได้ค่อยๆเข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อได้ฝากเอาไว้เวลาที่เราไปดู พิพิธภัณฑ์นหรือเวลาที่เราไปดูตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะอ๋อออนี่ไงเนาะหลวงพ่อสอนไว้อย่างนี้นี่เองสอนไว้อย่างนี้นี่เองเนาะ ก, ก็ขอให้การปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายเนี่ยจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุก์ดวยกันทุกคนเลย